เจริญสุขสวัสดีครูน้อยรู้สึกอนุโมทนาในความเพียรของทุกท่านที่ได้เดินทางมาด้วยกันจนถึงบทเรียนที่ลึกซึ้งและมีความสำคัญอย่างยิ่งบทนี้ครับในบทเรียนครั้งก่อนเราได้เรียนรู้การเป็นในช่างผู้ชำนาญในการใช้กุญแจแห่งการปล่อยวางเพื่อปลดล็อกโซ่ตรวนคือนิวรห้า ที่คอยผูกมัดจิตใจของเราไว้เมื่อโซ่ตรวนถูกปลดออกแล้วจิตของเราย่อมมีอิสระมีความใสกระจ่างและมีพลังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบัดนี้เมื่อเรามีจิตที่เปรียบดังกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังและมีเลนส์ที่ใสสะอาดปราศจากฝุ่นฟ้าแล้ว เราก็พร้อมที่จะใช้กล้องนี้่องดูความจริงของธรรมชาติความจริงข้อแรกและเป็นประตูบานที่สำคัญที่สุดสู่การดับทุกข์ก็คือความไม่เที่ยงหรืออนิจจงเราจะเรียนรู้ที่จะเห็นสัจธรรมข้อนี้ผ่านครูที่อยู่กับเราตลอดเวลานั่นคือลมหายใจของเราเองนี่คือบทเรียนในบทที่14 ซึ่งเป็นรุ่งอรุณแห่งปัญญามีชื่อว่าเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งผ่านลมหายใจบทที่14เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งผ่านลมหายใจเจริญสุขสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านสู่การเปิดดวงตาแห่งปัญญาเพื่อมองเห็นโลกตามความเป็นจริง อ น, นิจจังหรือความไม่เที่ยงคือกฎธรรมชาติที่เป็นสากลที่ครอบคลุมทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลกฎข้อนี้กล่าวไว้เรียบง่ายว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นแล้วจะคงอยู่ได้ตลอดไปความสุขที่เกิดขึ้นก็ต้องดับไป ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องดับไปร่างกายของเราที่เคยแข็งแรงก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนตกอยู่ภายใต้กฎข้อนี้นี่ไม่ใช่ปรัชญาที่น่าหดหู่แต่เป็นความจริงที่ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเพราะเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์ก็เกิดจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ เราพยายามจะไขว้ยคว้ายึดถือสิ่งที่เรารักให้คงอยู่ตลอดไปและพยายามจะผลักไสสิ่งที่เราเกลียดให้หายไปอย่างถาวรซึ่งล้วนเป็นความพยายามที่ฝื้นกฎธรรมชาติและนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าและความผิดหวังแล้วเราจะเห็นความจริงข้อนี้ได้จากที่ไหนไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกลเลยครับ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดก็คือกายและใจของเราเองและอุปกรณ์ที่ใช้สังเกตการที่ดีที่สุดก็คือลมหายใจของเรานี่เองลองสังเกตดูเถอะครับลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปแล้วลมหายใจออกก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเป็นวงจรแห่งการเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นนี้ทุกลมหายใจลมหายใจไม่เคยคงที่เดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาบเดี๋ยวละเอียดความรู้สึกทางกายก็เช่นกันความสบายที่เกิดขึ้นจากการนั่งตั้งอยู่สักพักแล้วก็อาจเปลี่ยนเป็นความเมื่อย ความคันที่เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความคิดและอารมณ์ก็ไม่ต่างกันดังหมู่เมฆที่ลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เคยมีอารมณ์ใดที่อยู่กับเราได้ตลอดการการเฝ้าดูวงจรแห่งการเกิดดับนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยใจที่สงบจะทาให้ปัญญาค่อยๆก่อตัวขึ้น เราจะเริ่มเข้าใจและยอมรับความจริงและเมื่อใจยอมรับการยึดมั่นถือมั่นก็จะคลายตัวลงเองเอาล่ะครับเรามาใช้จิตที่ใสกระจ่างของเราอ่านหนังสือแห่งความจริงจากลมหายใจกันณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านกลับมาสู่ท่านั่งที่สบายแล้วนำจิตเข้าสู่ความสงบความตั้งมั่น และความใสสว่างตามลำดับขั้นที่เราได้ฝึกฝนกันมาเมื่อจิตของท่านนิง่งและใสเป็นพิเศษดังผืนน้ำในยามเช้าแล้วให้ท่านน้อมนำความสนใจทั้งหมดกลับมาที่ลมหายใจแต่ในคราวนี้เราจะมองลมหายใจด้วยมุมมองของนักปราดเมื่อลมหายใจเข้าเกิดขึ้นให้รับรู้ถึงการเกิดขึ้นของมัน เมื่อลมหายใจเข้าดำเนินไปให้รับรู้ถึงการตั้งอยู่ของมันและเมื่อลมหายใจเข้าสิ้นสุดลงให้รับรู้ถึงการดับไปของมันอย่างชัดเจนเมื่อลมหายใจออกเกิดขึ้นก็ให้รับรู้ถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของมันเช่นเดียวกันเฝ้าดูละครโรงเล็กแห่งการเกิดดับนี้ไปเรื่อย เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่คงที่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช้การคิดแต่เป็นการเห็นด้วยความรู้สึกหากมีความรู้สึกทางกายใดปรากฏชัดขึ้นมาเช่นอาการปวดเมื่อยก็ให้ลองเปลี่ยนมาเฝ้าดูความรู้สึกนั้นแทนเห็นการเกิดขึ้นของความปวดเห็นมันตั้งอยู่และอาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้มของมัน และเฝ้าดูต่อไปอย่างอดทนจนกว่าจะเห็นการดับไปของมันให้เห็นทุกสิ่งทั้งกายและใจนี้เป็นเพียงการประชุมการชั่วคราวของเหตุปัจจัยที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเมื่อปฏิบัติมาถึงสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านยังคงอยู่ในความสงบนั้น การได้เห็นความไม่เที่ยงด้วยใจที่เป็นกลางแม้เพียงชั่วขนาดเดียวถือเป็นแสงแรกแห่งอรุณรุ่งของปัญญาแสงสว่างนี้จะค่อยๆขจัดความมืดบอดคืออวิชชาให้จางหายไปเมื่อเราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเราก็จะเลิกเหนื่อยกับการพยายามไขว่คว้าเราจะเรียนรู้ที่จะชื่นชมทุกสิ่งตามที่มันเป็น และปล่อยวางมันไปเมื่อถึงเวลาด้วยหัวใจที่เข้าใจและเป็นอิสระนี่คือความสงบสุขอันเกิดจากปัญญาซึ่งเป็นความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงขอให้แสงสว่างแห่งปัญญานี้จงนำทางให้ทุกท่านได้พบกับอิสระภาพและความสงบเย็นในทุกย่างก้าวของชีวิต จเจริญสุขสวัสดี